ที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับเพียงแต่ว่าธรรมะมเป็นเรื่องลึกซึ้งถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็ฟังทีแรกก็ยากหน่อยมันก็เหมือนเราเรียนวิชาต่างโลกเลยวิชานี้ไม่เคยได้ยินเลยว่าในโลกนี้ก็มีวิชานี้ด้วยก็รู้สึกยากหน่อยแต่ฟังไปฟังไปก็เข้าใจหลวงพ่อรับรองอย่างหนึ่งนะถ้าฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนเข้าใจเนี่ย เราจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองได้ในเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ด้เปลี่ยนตัวเองในเวลาที่สั้นๆบางคนเดือนสองเดือนนีชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปหมดแล้วเคยทุกมาก mm hmm. ก็เหลือทุกน้อยเคยทุกนานก็เหลือทุกสั้นเรื่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะเรียนนี่พวกเราแต่ละคนเราก็อ้างตัวว่าเราเป็นชาวพุทธเกิดมาก็เป็นศาสนาพุทธลว ในบ้านในเมืองเราเห็นวัดเยอะแยะเห็นพระเยอะแยะหนังสือพิมพ์ก็มีเรื่องของพระลงเรื่อยๆนะล้วนแต่พระไม่ดีพระดีไม่ลงหรอกเนะนี่ยเราก็บอกเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วรู้เรื่องแต่เราไม่เคยสนใจเลยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็าเป็นพุทธแต่ชื่อไปเท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรอกตอนนี้นะกระทั่งคนต่างชาตินะเขาสนใจมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเยอะแยะเลยกระทั่งคนจีน พอเขาเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยคนจีนมาเรียนกรรมาฐานเนี่ยเยอะเลยลอยากรู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรพอเขาหิวธรรมะขึ้นมาแล้วแต่เดิมก็มีศาสนาอยู่แล้วศาสนามันถูกทํำลายไปนี่เขาก็อยากได้ศาสนาคืนไปเขามาเรียนกันส่วนพวกเราอยู่กับศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดถ้าเราไม่เรียนเราก็รู้ไม่ได้มันเหมือนคนไทยนะเราคุยอวดว่าเราเก่ง มวยไทยไม่มีใครสู้คนต่างชาตินะฝึกมวยไทยรับรองว่าคนไทยมาเจอตอนนี้นะทั่วๆไปอย่างพวกเราไปเจอนะมันเตะขอหักเนะีนะ่ยทั้งๆที่ว่าเราเป็นคนไทยนี่แหละ้เราไม่ได้เคยฝึกมวยไทยมันก็ชกไม่เป็นเหมือนกันธรรมะของพวกท่านเจ้านี่ก็เหมือนกันถ้าไม่เรียนนะไม่เรียนไม่รู้ไม่ฝึกมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเราก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นแต่เปลือก ทุว น, นี้ชาวพุทธจริงๆมีอยู่ไม่มากอนะ่ะเหลือน้อยเต็มทีเป็นชาวพุทธที่เปลือกกันอย่างมากก็ปีใหม่ไปทําบุญนิดหน่อยใส่บาทตอนเช้ากลางคืนก็ต้องเที่ยวต้องเล่นอะไรกันตลอดวันเราคิดว่าเป็นชาวพุทธนี่ก็แค่ว่าถึงวันเกิดทีก็ทําบุญทพียงวันอาสาหะวันเข้าพรรษาวันวิสาขามาฆาตเลย อย่างเก่งก็ไปเวียนเทียนซะหน่อยแค่นั้นก็เป็นชาวพุทธละนั่นมันด้อยเกินไปเราไม่ได้คุณค่าอะไรกับศาสนาพุทธที่แท้จริงเลยนี่พวกเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วนะก็ขอให้ตั้งใจฟังสละเวลาไม่นานเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเทศไม่เกิน45บห้านาทีเพราะสมองของคนเราเนี่ยรับข้อมูลใหม่ๆนะได้ไม่เกินแค่นี้สี่้านาทีมันจะเริ่มล้ารับไม่ได้แล้วยิ่งช่วงบ่ายนี่นะ เป็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนเอามาฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจยากเลยเพราะว่าต้องต่อสู้กับการง่วงนอนยังดีนะเราบ่ายสองแนละ้วท่านนิมนเทศบ่ายโมงนี่นะหลวงพ่อเอื่มละอาที่สุดเลยเทศยากอะ่ะจะหลับกันทั้งห้องนะคนตื่นไม่ได้เลยถ้าเราจะเป็นชาวพุทธเราอย่าไปคิดว่าศาสนาพุทธมีแต่เรื่องทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิ อันศา ส, สนาอื่นก็มีการทําทานการถือศีลการทําสมาธิศา ส, สนาไหนๆก็มีสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธแตกต่างจากคนอื่นคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเหล่านี้คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรานี้แหละสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราก็คือกายใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อย่างแจ่มแจ้งนะความทุกจะไม่เกิดขึ้นในใจเราอีกต่อไป ถ้าเรียนได้แค่ไหนนะก็ทุกน้อยลงตามลําดับลําดับไปยิ่งเรียนได้แจ่มแจ้งเต็มที่เรารู้จริงเลยนะว่ากระทั่งจิตเนี่ยตัวจิตเนี่ยยังพวกเรารู้ไหมจิตอยู่ที่ไหนเลยไม่เห็นเลยถ้าเราภานาไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราเห็นกระทั่งตัวจิตนึ่งเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยไม่ยึดถือจิตถ้าจิตไม่ยึดถือจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้ว เมื่อจิตไม่ยึดถืออะไรแล้วเนี่ยจิตจะไม่ทุกเพราะสิ่งใดอีกที่เราทุกวันนี้เราเป็นทุกข์นะเพราะเรายึดถืออย่างเรายึดถือว่าคนนี้แฟนเรานะเราก็ต้องเป็นทุกข์เราห่วงเขากลัวคนอื่นมางาบเอาอไปนะยิ่งยุคนี้นะแฟนไขก็ได้กูจะเอาอนะผู้หญิงได้ร้ายมากนะยุคนี้เห็นผู้ชายเป็นดอกไม้ริมทางนะผู้ชายเนี่ยโอ้ยต้องระวังเนื้อระวังตัวมากเลยเนะนี่ยขาดอย่างเดียวไม่ฉุดออกไปเท่านั้นแหลนะ เนี่ยคือต้องมาเรียนนะต้องมาเรียนสังเกตตัวเองให้ได้เรียนรู้ตัวเองให้ได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้เรื่องอะไระการจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เนี่ยอันแรกเลยต้องไม่ลืมตัวรู้จักคาว่าใจลอยไหมใจลอยเคยใจลอยไหมเวลาเราใจลอยนเรามีร่างกายเราก็ลืมอย่างเวลาเราใจลอยนะยุงกัดเนเราไม่รู้ใช่ไหมเรามีร่างกายอยู่นะยุงมากัดจน ตัวอ้วนกลมบินไม่ไหวแล้วเรายังไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะใจเราลอยหรือเวลาเราใจลอยจิตใจเราเป็นสุขหรือจิตใจเราเป็นทุกข์จิตใจเราดีหรือจิตใจเราชั่วเราก็ไม่รู้เวลามันใจลอยนี้เราวันวันหนึ่งเราใจลอยเยอะใจลอยตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับหลับไปก็ใจลอยต่อเรียกว่าฝันนี่เราต้องมาค่อยๆฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยถ้าเราอยากเป็นชาวพุทธที่แท้จริง จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้จะต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นร่างกายเห็นจิตใจได้แต่ถ้าจิตใจเราล่องลอยไปลืมเนื้อลืมตัวมีร่างกายมันก็ลืมไปมีจิตใจมันก็ลืมไปงั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกตัวเองให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยนี่ดีมากเลยคาว่าภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันตรงกับคว่าสัมมาสมาธิ สมาสมาธิเนี่ยเป็นภาวะที่จิตใจเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่หลงไปเผลอไปลืมเนะื้อลืมตัวนะต้องมาฝึกอยู่ๆเราจะมารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไม่ได้เพราะจิตใจเราเคยชินที่จะลืมตัวเองทั้งวันตอนตื่นนอนลองนึกซิวันนี้เมื่อเช้าตอนตื่นนอนสิ่งแรกที่เราคิดถึงคืออะไร แค่คิดถึงร่างกายว่ากําลังนอนอยู่ท่าไหนหายใจออกหรือหายใจเข้าใครรู้สึกไหมยกมือให้ดูหน่อยจะขอสรรเสริญ <laughs> จิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์เห็นไหมตอนตื่นแรกๆอ่ะไม่เลยนะสิ่งแรกที่ต้องรีบคิดก็คือวันนี้วันอะไรมา <laughs> ต้องรีบคิดต่อวันนี้วันอะไรนะนึกขึ้นได้โอ้วันนี้วันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์โอ้สบายแล้ว กฏว่านึกผิดนึกอีกทีไม่ใช่วันนี้วันพุธจะต้องตาลีตาเลือกมาทํางานเนี่ยใจเราพอนึกว่าวันนี้วั น, น, วนหยุดนะเราสบายใจพอนึกว่าวันนี้ต้องรีบไปทํางานนะียไม่สบายใจชี้เจ็ดไปทํางานถามจริงๆนะใครชี้เจ็ดทางานบ้างยกมือสิมีไหมอยา่าอยากก่าโกหกนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผู้บริหารก็มีนะ <c oughs> ขี้เกยียจมันก็ห้ามไม่ได้นะแต่มันมีหน้าที่มันก็ต้องทำหลวงพ่อมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยหัวหน้ากองเขาใจบาปหยาบช้าเขาจะเดินจงกรมนะใช้งานอยู่ได้รู ป, ประหลาดไหมตัวเองอะ่ะเขาจ้างให้ไปทำงานนะจะเอาเวลาทำงานไปเดินจงกรมเนี่ยนี่มันขี้โกงแล้วนี่มีหน้าที่ทำงานเขาทำงานแต่ว่าคอยใส่เกต อย่าใจลอยนะวิธีฝึกไม่ให้ใจลอยนะก็คือต้องฝึกรู้ทันเวลาใจลอยแปลกไหมไม่ใช่ห้ามใจลอยห้ามไม่ได้หรอกแต่เราต้องมาฝึกตัวเองให้รู้ทันเวลามันใจลอยนะการจะรู้ทันว่าใจลอยได้ง่ายเนี่ยอันแรกเลยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งที่เป็นที่ที่ให้จิตมาอาศัยอยู่แล้วพอจิตทิ้งไปจากไอ้ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าใจลอย อย่างบางคนก็หัดพุทโธพุทโธพุทโธไปนะนั่งท่องพุทโธเวลาว่างๆไม่ได้ทําอะไรเนี่ยว่างๆไม่ต้องทํางานที่ต้องจิดนีก็นั่งท่องพุทโธพุทโธในใจไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้ใจสงบนะว่าท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยแล้วใจลอยหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธเนี่ยให้รู้ไวๆฝึกอย่างนี้แหละนะพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดแล้วอ๋อหนีไปละลืมพุทโธไปแล้วถ้าไม่ชอบพุทโธก็รู้ลมหายใจไป หายใจไปไม่ใช่เพื่อให้จิตใจสงบนะหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจเช่นหายใจหายใจไปหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเงี้ยรู้สึกไปรู้สึกไปแป๊บเดียวใจลอยหนีไปคิดเรื่องอื่นล้วรู้ไวๆหน่อยหัดรู้ทันบ่อยๆเวลาใจลอยทํากรรมฐานทักอยษะหนึ่งนะจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทําไปเพื่อให้จิตสงบแต่ทำไปเพื่อรู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วมันใจลอยละ ลองไปฝึกดูนะถ้าเราฝึกได้เนี่ยในเวลาไม่กี่วันนะอยู่เฉยๆเนี่ยความสุขจะผุดขึ้นมาเองนะทาไมอยู่เฉยๆมีความสุขผุดขึ้นในใจเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะทั้งวันเลยนะเพราะใจมันมีสมาธนะิใจมีสมาธิขึ้นมามนจะมีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะนะสบายมีความสุขไปได้เนี่ยค่อยๆฝึกไปนะรับรองว่าไม่เป็นโรคจิตนะแต่ว่าหลวงพ่อเคยไปเทศที่โรงพยาบาโลโรคจิตนะ แล้วเขาก็ถวายผ้าไตรถวายอะไรไว้หลวงพ่อก็ถามหมอว่าเออโรงพยาบาล น, นี้มีพระมาเข้าบ้างไหมมีพระจะได้ฝากผ้าไตรไว้ถวายแต่คงไม่มีมัง้งโรงพยาบาโลโรคจิตพระคงไม่มาหรอกนะหมอบอกไม่ใช่พระเยอะเลยนะแล้วแต่พวกทํากรรมฐานนะทํากรรมฐานแล้วบังคับตัวเองอะ่ะจิตมันจะฟุ้งซ่านเนี่ยไปบังคับให้มันสงบนะบังคับมากๆเครียดนะเครียดจัดๆสติแตกเนะียเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเลย เราอย่ามาฝึกบังคับตัวเองชีวิตเราทุกข์มากอยู่แล้วอย่ามาเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองด้วยการทํากรรมฐานผิดๆให้คอยรู้ทันเวลามันใจลอยเท่านั้นเองพุทโธพุทโธไปใจลอยรู้ทันหายใจไปใจลอยรู้ทันดูท้องพองยุบไปใจลอยแล้วรู้ทันถ้ารู้บ่อยๆนะต่อไปเนี่ยพอใจมันเคลื่อนปึ๊บเราจะเห็นทันทีที่เห็นใจที่เคลื่อนไปปุ๊บใจที่ตั้งมั่นหรือใจที่มีสมาธินะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เนี่ยหลวงพ่อฝึกของหลวงพ่อมาตั้งแต่เล็กๆนะแต่ตอนเด็กๆทํานธรรมะนามพนสติทางใจมันเด่นดวงใจเคลื่อนปุ๊บเห็นเลยอัตโนมัติเลยเวลามาเตือนปัญญานี้ทำง่ายเจะเห็นน่ร่างกายจิตใจมันทํางานของมันได้เองใจเราเป็นแค่คนดูเราจะฝึกใจของตัวเองให้เป็นคนดูนั่นเองไม่ใช่ผู้แสดงทุกวันนี้ใจเราเป็นนักแสดงนะเดี๋ยวก็เล่นบทรักเดี๋ยวก็เล่นบทโกรธวันนี้ใครโกรธบ้างแล้ว มีใครวันนี้ใครงุดหงิดบ้างละยกมือให้ดูนี่มีความงุนหงิดเกิดขึ้นใครงุนหงิดมากกว่าหนึ่งครั้งยกซิใครงุนหงิดถึงสิบครั้งยกมือซิอซโอเ้เก่งยิ่งได้ร้อยครั้งนะเก่งมากเลยเพราะอะไรใจเรากระทบอารมณ์ปุ๊บมันหงุนหงิดแะ้วงุนหงิดแล้วนะ ห, หรือกระทบอารมณ์แล้วมันชอบบางคนมันชอบนะพวกบ้า ก, กามอะไรเงี้ยนะ <í ns> เห็นอะไรมันชอบไปหมดเลยเห็นมือถือก็อยากได้เห็นโน่นก็อยากได้เห็นสาวก็อยากได้นะ เห็นมาเห็นแมวอยากได้หมดเลยเนี่ยพวกนี้ใจมีราคะใจมันไหลไปมันไหลไปให้เราคอยรู้ทันใจที่ไหลไปถ้าเรารู้ไม่ทันนะเดี๋ยวราคาก็เกิดเดี๋ยวโทสะก็เกิดแต่ถ้ารู้ทันนกิเลสเกิดไม่ได้เพราะอะไรระตอนที่รู้ทันเนี่ยมันไม่หลงตอนที่ไม่รู้ทันเนี่ยมันหลงราคะหรือโทสะเกิดได้ตอนหลงเท่านั้นจำไหมนะมีคําว่าเท่านั้นด้วยจิตเส้นใต้ ถ้าไม่หลงเนี่ยราคาเกิดไม่ได้โทรศส์เกิดไม่ได้หลงมันเป็นยังไงรู้จักไหมหลงใจมันหนีไปใจมันหนีไปนะคอยรู้ทันบ่อยๆเวลาใจมันหลงอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจเราวกแวกรู้สึกไหมเนี่อรู้ทันนะใจมันปุ๊บวุบปั๊บไปเลยเนี่อรู้ทันเลยใจมันเคลื่อนใจมันเคลื่อนเนี้ยหัดรู้บ่อยๆต่อไปมันเคลื่อนปุ๊บจะรู้ปั๊บโดยไม่เจตนาจะรู้เมื่อไหรเคลื่อนเรารู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ สมาธิอย่างนี้อาภัพมากเลยไม่มีคนเรียนไม่มีใครสอนส่วนมากก็จะสอนหายใจไปเรื่อยทําความสงบไปเพง่งลูกแก้วเพง่งพระเพ่งอะไรต่ออะไรให้ใจนิ่งสบายอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอย่างนั้นมันมีมา ก, ก่อนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สมาธิของพุทธสมาธิของฤษีชีไพรแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธทําได้มันก็ดีเอาไว้พักผ่อนแต่ไม่เกิดปัญญาสมาธิที่จะทําทให้เรามีปัญญาคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี้แหล เพรนต่อไปนี้เราพยายามฝึกนะให้ใจมันอยู่กับตัวเองเพราะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจนีคอยรู้เอานะจะรู้กายก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอันนี้สําหรับคนที่ถนัดรู้กายก็ดูกายไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ก็ได้นะก็มันรู้มรกผลได้แต่ถ้าเราไม่ถนัดที่จะรู้ร่างกายนะให้เราก็คอยรู้ทันใจ ใจของเราเนี่ยเราเป็นคนในเมืองใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเมื่อกี้ถามนะวันนี้วันนี้โกรธไปเป็นสิ10ครั้งแล้วนอันนี้อะไรใจมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วให้เราคอยรู้ทันเท่านั้นเองการที่เราคอยรู้ทันแล้วเราจะเห็นในใจนี้เปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเราคอยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อมันให้มันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะรู้เพื่อจะรู้ทันความรู้สึกที่กําลังเกิดขึ้น มีความสุขเกิดขึ้นในใจก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็รู้โลภโกรธลงเกิดขึ้นในใจก็รู้รู้แล้วเห็นอะไรเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะั้นเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งสิน้นอย่าตอนนี้ใครโกรธบ้างไหเมื่อตะกี้โกรธใช่ไหมเมืกก่อเช้าโกรธเนี่ยไม่โกรธมาหลายทีแล้วที่ว่ายกมือกันเยอะแย่ๆตอนนี้ไม่ได้โกรธใช่ไหมความโกรธมันไม่ได้อยู่คงทนอะไรมันอยู่ชั่วคราว การที่เราเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเรื่อเห็นอนิจจงเห็นความไม่เที่ยงนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาแล้วนะการเจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาของรูปของนามของกายของใจถ้าเราถนัดเราเป็นคนเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดดูจิตมากกว่าดูกายคนที่จะดูกายได้ดีต้องทรงฌานนะจะถึงแยกธาตุออกไปได้เห็นเลยร่างกายนี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำฝ่ายลม ถ้ากำลังของสมาธิไม่พอมันไม่แยกให้ดูหรอกถ้ากำลังสมาธิไม่พอนะให้ดูใจไปเราจะเห็นว่าใจนี้แยกได้หลายส่วนความสุขความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้เป็นส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นส่วนหนึ่งความรับรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปเรื่องเราเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนให้รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความรู้สึกทั้งหลายนะั้นไม่ได้เจตนาให้รู้สึกนะมันรู้สึกขึ้นได้เองตรงที่เราไม่ได้สั่งแล้วมันเป็นเองเนี่ยเรียกว่าอนัตตานะไม่อยู่ในอำนาจบังคับศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่เหมาะกับกรรมฐานที่เหมาะนะสำหรับคนที่ทํางานที่ใช้ความคิดในแต่ละวันแต่ละวันในตําราเขาบอกว่าพวกทิฏฐิชริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะกรรมฐานที่เหมาะนะคือการดูจิต นะนั้นที่หลวงพ่อสอนดูจิตดูจิตหลวงพ่อไม่ได้สอนแต่ดูจิตบางคนหลวงพ่อก็สอนดูกายแต่ว่าคนที่ดูกายในยุคนี้มันเริ่มน้อยลงเพราะว่าคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนี่ยมันเยอะใครรู้สึกตัวว่าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมั้ยยกมือสิใช่ไหมบางทีนะไม่ใช่เรื่องของเราเราก็มีความคิดเห็นนะเคยไหม <c oughs> ยิ่งสังคมอินเทอร์เน็ตยุคนี้นะชอบออกความเห็นมากเลยนะ เอาอะไรไปโพสสักอย่างนะคนจะมาออกความเห็นบางอันออกความเห็นตั้งหมื่นคนนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเราออกความเห็นนะเพราะอะไรเป็นโรคเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะโรคระบาดขั้นร้ายแรงแ ล, ล้วล่ะอันเนี้ยมีความเห็นทุกเรื่องทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่เรื่องของเราพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยกรรมาฐานที่เหมาะนะคือการดูจิตตัวเองงั้นเวลาต่อไปนี้นะเราคอยสังเกตเวลาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยน เวลาเราได้ยินเสียงความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเวลาเราได้กลิ่นเราได้รสได้สัมผัสทางกายหรือเราคิดนึกทางใจความรู้สึกก็เปลี่ยนให้คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนรู้ไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอันนี้เป็นสุดยอดของกรรมฐานเลยนะการปฏิบัติในชีวิตจริงๆนี่แหละเนั้นทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนมาเราคอยรู้ทันเลยพันนี้ตื่นมาปุ๊บนึกก่อนใจมันจะคิดไม่ห้าม นึกได้อะอ้ยวันนี้มีงานเยอะแยะเลยต้องทําใจชักกังวลละนะเอ๊ะวันนี้ควรจะเดินขบวนแถวนี้ปล่ารถจะติดไหมจะมาทันไหมอะไรเงี้ยที่นี่มีตอกบัตรไหมมีปั๊มหัวไม่มือเไหมโอ้กลัวไหมว่ามาไม่ทั น, นหรือฝากคนอื่นเขาเสียบบัตรไอ้แต่นั้นให้ใชสสเขาทำไปเราไม่ต้องทำเนี่ยใจเรานะเขาคิดปุ๊บ ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ใจเราดีหรือใจเราร้ายให้คอยรู้ทันมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเห็นคนไข้เยอะแยะเลยใจรู้สึกยังไงดีใจไม่ค่อยดีใจหรอกเพราะเรากินเงินเดือนใช่ไหมถ้าวันนี้ไม่มีคนไข้เลยนะโอ้ยกําไรไม่รู้หรอกนะถ้าโรงพยาบาลไม่มีคนไข้นาๆนๆเขาจะเลิกจ้างแต่วันนี้คนไข้น้อยสบายใจใช่ไหมอย่างหมอเนี่ยหลวงพ่อถามมาหลายรายแล้วหมอ อยู่โรงพยาบาลนี่นะยิ่งหมอหลวงนะโรงพยาบาลหลวงเนี่โยโอ้ยไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคนเข้าชิวเลยลั่วโรงพยาบาลออกมาแล้วเนี่ยวันนี้ต้องตรวจห้าร้อยคนเนี่ยเครียดนะคนละนาทียังไม่พอเลยอนะ่ะหมอต้องนั่งทางในตรวจ เ, ยเงยหน้าขึ้นหมองสั่งแล้วโรคนี้โรคนี้นะคนมันเยอะอะพอเห็นคนไข้เยอะๆเครียดนะหรือพยาบาลนะเคยเจอไหมคนไข้จู้จี้ จู่จี้ขี้บนจะเอาน้น่นจะเอานี่นะน้ารำคาญนะเพราะเราเห็นปุ๊บเนะีเราลำคาญนะตัวเนี้ยให้เรารู้ทันนะอย่างหมอนี่เห็นคนไข้ยเยอะๆนะโอ้ไม่ไหวเลยวันนี้เหนื่อยแน่ๆไม่สบายใจนะเห็นจะดูทันหรือเปล่าแต่นะหมอเอกชนไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หมอรัฐบาลเนี้ยงานหนักนะแต่ว่าพอเลิกจากโรงพยาบาล น, นะตอนเย็นไปที่คลินิกนะคนรอออกมานอกคลินิกเลย โอ้มีความสุขนี่ก็สลยให้ตามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนเรออกไหมเจอเจอคนไข้เยอะๆได้เงินเยอะแล้ววันนี้เนี่ยตาเราเห็นความรู้สึกเราเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนขับรถอยู่ถูกเขาปาดหน้าความรู้สึกเปลี่ยนไหมดีใจไหมโอ้เขาปาดไปแล้วสวยรถไม่มีใครมันดีใจอ่นะเนาะโมโหเวลาติดไฟแดงโมโหไหม ติดคันไหนโมโหมากที่สุดคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งเนี่ยเข้าขั้นเจ็บแขนะบางทีด่าไอ้ขันที่หลุดออกไปน้นมือเ่ยเคลื่อนช้านะกูเลยตามไม่ทันนะแล้วติดขันที่ห้ายังพอทําใจได้ใช่ไม้มติดคันที่ห้าสิบอีกรอบหนึ่งก็คไม่พ้นอะ่นะเนี่ยทําใจได้เลยวิ่งไปไม่รีบร้อนนะยังไงมันก็ไม่พ้นอยู่แล้วนะติดขันที่ร้อยไม่พ้นอยู่แล้วสบายใจติดก็ติดนะ แต่พอติดคันแรกเนี่ยเจ็บช้ำที่สุดเลยนะเห็นไะแค่รถติดไฟแดงนะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยนะความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเรากําลังจีบสาวนะสาวนั่งอยู่ข้างๆรถติดไฟแดงไม่ว่านะจน ก, การะทั้งไฟเขียวแล้วยังไม่ยอมไปเลยนะยังนั่งสบตาปิ้งๆๆอยู่นะคันหลังก็กดแตรดา่านะแม้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อมีการกระทบอารมณ์หัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะการกระทบอารมณ์นั้นห้ามไม่ได้ เรามีตาเราก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ต้องรู้รสมีร่างกายก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะมีใจก็ต้องคิดนึกไม่ห้ามมันแต่ว่าเพื่อเมื่อมันกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันรู้แล้วไม่จะได้อะไรถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวมันจะเห็นนีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ทุกวั sun, be Actually, นเน it so. ี้ยที่เราวุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่เนี้ยเราวิ่งหาความสุขเราวิ่งหนีความทุกข์นะทำไมต้องมาทํามาหากินหวังจะได้เงินได้ทองหวังอะไรจริงๆหวังจะมีความสุขกะว่ามีเงินเยอะๆมีความสุขนะจริงๆเราไปวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราฉลาดนะเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของโชวคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดิ้นรนของจิตที่จะไปวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์เนี้ยจะลดลง จิตที่หมดความดิ้นรนนะั่นแหะจะมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองจะเป็นความสภาวะที่เต็มที่อิ่มอยู่ในตัวเองจิตของพวกเราไม่อิ่มจิตของพวกเราหิวโหยตลอดเวลาเลยหิวความสุขนะหิวที่จะพ้นจากความทุกข์มันดิ้นตลอดเวลาเลยจิตที่ดิ้นรนเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงนะอย่างเราได้ความสุขมาเนะีเคยคิดไหมสุขันได้อะไรที่พอใจมาหรือรู้สึกไหมว่าวันหนึ่งมันจะจากไป แม้ความสุขเราไม่เต็มวันหนึ่งมันจะต้องเสียไปกรนะทั่งร่างกายของเราเนี่ยเราได้มาแล้ววันหนึ่งจะต้องเสียไปยอมรับได้ไหมยอมรับไม่ได้หรอกยังหวงอยูนะ่เพราะอะไรเราเห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นของพิเศษของเราของดีนะําความสุขมาให้เรานะถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยคงไม่มีความสุขเลยนะหวงแหนแต่วันหนึ่งนะร่างกายเนี่ยเจ็บมากเจ็บมากอยู่โรงพยาบาลเคยเจอไหมคนไข้ที่อยากตายเร็วๆอะ มันทุกข์มากๆมันอยากตายนะท่านอยากอะไรอยากพ้นทุกข์ไปไหมส่วนที่ทุกข์ไม่มากป่วยไม่มากก็อยากหายอยากมีความสุขเนี่ยใจมันจะมีแต่ความอยากนะเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีๆอยากคิดนึกเรื่องราวที่ดีๆไม่อยากสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไม่เพลออะไรเงี้ยมีแต่ความอยากเกิดขึ้นอยากจะเจออันนี้อยากจะพ้นจากอันนี้ ใจที่มีความอยากนี่แหละมีความทุกข์ท่วมทนอยู่งั้นเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยวันหนึ่งใจมันฉลาดนะไม่เห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวอะไรอะไรที่ผ่านมาในใจเราก็เป็นของโว่วคราวพอใจฉลาดแล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดเนี่ยความดิ้นรนของใจจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะไม่มีใจมันจะเต็มมันจะอิ่มอยู่ในตัวของมันเองเนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะ ถ้าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยเสียโอกาสที่เป็นชาวพุทธตอนนี้คนต่างชาติเนี่ยมาเรียนเยอะเลยเขาอยากได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเขาก็พบนะว่ามาภาวนานสักพักเดียวชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นที่พวกเราถ้าไม่สนใจเราก็ต้องทุกข์ไปได้่อยๆชีวิตเราไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยทํางานนะแย่งกันแย่งทุกสิ่งทุกอย่างกันนะสุดท้ายไม่เหลืออะไรสักอย่าง หลวงพ่อเนี่ยโดยวัยหลวงพ่อน่ะมันเกินกเกษียณละเพื่อนๆกันเนี่ยสมัยหนุ่มๆ น, นะมันแย่งกันเป็นผู้ว่าอยากเป็นผู้ว่าอยากเป็นประหลัดหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์ตั้งแต่เริ่มเรียนเนีเขาหวังอยาเป็นผู้ว่ากันนะหลวงพ่อไม่สนใจหรอกผู้วงผู้ว่านะแล้วก็เรียนพอให้เข้าใจท่านเองว่าโงชีวิตคนมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากเป็นผู้ว่าหรอกเห็นเลยว่ามันมี ปัญหาเยอนะเวลาเป็นผู้ว่านะ่ะมันย้ายใหญ่มันใหญ่มโหลานเลยนะโหไปไหนเนี่ยท่านท่านท่านใครๆก็ไหว้เนี่ยเมื่อไม่นานก็ เ, เจอกันน ะ, กะเกษียนไปหลายคนละเวลากเกษียณแล้วจ่องเลยนะหมวกมันหลุดไปแล้ว嘛นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ของที่จะพึ่งพาอาศัยได้จริงนะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรเนี่ย ไม่ได้ช่วยอะไรเราได้จริงอะ่ะแต่การที่เราฝึกจิตฝึกใจของเราเนะี่ยจนเราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะอันนี้เราจะช่วยเราให้เราไม่ทุกเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างน้ําท่วมบ้านเมื่อปีห้าสี่น้ําท่วมใช่ไหมบางคนน้ํายังไม่ท่วมก็ทุกข์แล้วว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมใครเคยเจอภาวะ น, นี้จําได้ไหมน้ํามาแล้วถึงจังหวัด น, นี้แล้วจะท่วมบ้านเราเปล่าเนี่ย กังวลว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมหวังว่าจะไม่ท่วมแต่ น, น้ําท่วมใหม่ๆทุกมากรู้สึกไหมพอท่วมหลายเดือนเข้าชักชินนลอยกระทงมันเฉยเลยเพราอะไรใจยอมรับได้มันต้องท่วมท่วมทีแรกก็อยากให้มันลงเร็วๆนี่มันไม่ลงนานๆไปยอมรับได้เราต้องอยู่กับน้ําเนี่ยพอยอมรับได้นะไม่ทุกพอน้าท่วมบ้านนะ่ะยอมรับไม่ได้เนะี่ยจะทุกเหมือนกันนะั้นในร่างกายเนี่ยเรายอมรับไม่ได้ว่าต้องแก่พอแก่แล้วเราทุก เราอยอมรับไม่ได้ว่าต้องเจ็บป่วยนะพอเจ็บป่วยเราก็ทุกยอมรับไม่ได้ว่าต้องตายเราก็ทุกเรายอมรับไม่ได้ว่าเราวันหนึ่งนะเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักอันนี้เรื่องจริงไหมวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนนี้แหละในห้องเนี้ยต้องพลัดพร า, ากแน่นอนจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักลองนึกโน้ตสิตอนนี้นึกในใจไม่ต้องบอกหลวงพ่อนะเรารักอะไรมากที่สุดตอนนี้ได้คําตอบยังรู้ไหมว่าจะตอนน้ <c Iím S 2> ตองพลัดพรากจากมั น, น กระทั่งร่างกายนี้ชีวิตนี้เนี่ยถ้าใจเราเคยเห็นความจริงซะก่อนนะว่าทุกอย่างโชครายกระทั่งจะตายหรือจะพลดัพลดพรากจากสิ่งที่รักมันไม่ถูกหรอกเพราะมันยอมรับได้ว่านี่คือความจริงของชีวิตการที่ยอมรับได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงสัจจะแล้วนะสัจจะความจริงของชีวิตก็คือกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องมีความพลัดพลาดเหรสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังทางใจต้องมีนะถ้าใจยอมรับได้ใจจะไม่ทุกข์ใจที่เป็นทุกข์เพราะยอมรับไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงที่โหดร้ายนะความจริงในชีวิตเรานี่โหดร้ายมากเลยทุกคนจะต้องตายโหดมากเลยนะแต่นี่คือความจริงถ้ายอมรับได้นะจะไม่หวั่นไหวนะงั้นที่เรามหาัดภาวนาเนี่ยเพื่อให้จิต มันยอมรับความจริงของชีวิตถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงของชีวิตได้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ทุกข์นะเพรั้นหัดนะหัดง่ายๆเลยนี่แหละคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจึงกระทั่งเห็นความจริงว่าความรู้สึกทุกอย่างนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหัดดูทุกวันนะจนใจมันยอมรับไม่ใช่เรายอมเองนะดูสามวันแล้วบอกเนี่ยยอมแล้วยอมแล้วมันไม่ยอมหรอกนะ กาดูมากๆดูบ่อยๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูมันเข้าไปถึงวันหนึ่งมันก็ยอมถ้ามันยอมรับความจริงได้นะเวลาความจริงเกิดขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวความจริงคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องไม่สมหวังบ้างไปฝึกเอานะชีวิตจะได้มีความมั่นคงนะยิ่งกว่าประกันชีวิตอีกนนเนี้ยเนี่ยประกันความสุขแต่และพอสมควร เยอะมากไปเดี๋ยวพวกเราจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปมีใครจะส่งกันบ้านไหมกลัวไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วทํายังไงดูจิตรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ไปจะเห็นเลยความตื่นเต้นเกิดได้เองสังเกตไหมสังเกตไหมว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันคนละอันกันดูออกไหมเป็นบางครั้งค่ะอ๋อเป็นบางครั้งก็ใช้ได้ละ มันจะเห็นทุกครั้งไม่ได้หรอกเราไม่ใช่ผ้านาคาเนี่ยค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อ ย, อยู่ส่วนโคนละอนกันหเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วกับจิตก็โคนละนกันดูออกแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วไปแล้ผ่านได้แล้วไม่มีคําถามอะไรแล้วเนี่ยแล้วจะถามอะไรคือมันจะมีเป็นบางช่วงที่ ร่างกายมันไม่ตื่นแต่จิตมันตื่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเอให้จิตมันตื่นนี่ก็เกันอย่าให้ร่างกายมันตื่นแต่จิตหลับนะอย่างน้เขาเรียกละเมอแต่มันพยายามที่จะมันไม่ตื่นมันสั่งไม่ได้มันสั่งให้ร่างกายตื่นไม่ได้จริงๆแล้วเราสั่งกายไม่ได้จริงนะแล้วแล้วหนูจะต้องทํำยังไงกับจิตนะคะไม่ได้ทําอะไรเรารู้ว่าอย่างที่มันเป็นรู้ว่าจิตใจเนี่ยยังไม่ยอมรับจิตใจอยากให้ร่างกายตื่นรู้ทันใจที่อยากไว้ เนื่นภาวะแห่งความตื่นเนี่ยถ้าเราฝึกสติเราดีนะกระทั่งร่างกายหลับจิตยังตื่นเลยนะไม่ต้องตกใจมันสั่งร่างกายไม่ได้ในภาวะนั้นแต่ว่าจิตใจเราสว่างไสวยอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แล้วก็รู้ไปนะแล้วอย่างบางครั้งที่มันชอบภากอะคะห้ามไม่ได้ภักห้ามไม่ได้นะฝึกหลายปีกว่าจะเลิกภักให้มันพักไปก่อนอย่าช่วยมันภาคเท่านั้นนะ ถ้ามันภาคของมนเองไม่เป็นไรห้ามช่วยมันภาคนะไม่เลิกง่ายหร น, นี่สัยช่างภาคไม่เลิกง่ายอีกหลายปีนะลำคาญเนาะลำคานพูดมาก <S 1> <S 1> รู้จักไหมไอ้คนพูดมากในนี้มีอู่คนหนึ่งนะพูดทั้งวันพูดทั้งคืนคือบางครั้งมันเหมือนทะเลาะกันเออให้ดูไปว่าใจเรามีโทสะต่เราไม่ชอบดูตัวนี้ <S <S นะ เอาต่อไปขอบคุณค่ะหลวขอถวายเป็นพุทธบูชาค่ะาาสาธุการนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านแปดปีก็อืจะให้หลวงพ่อช่วยชีย้แนะแล้วก็ดูออกเยียงว่ากายกับใจมันแยกกันได้ค่ะมันแยกได้แล้วล่ะต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจเป็นคนดูไม่เกี่ยวกับเรานะ เน่ฝึกดูของคุณต้องดูไกลายมากๆยังเป็นคนรักสวยรักงามนะดูกกลไปจะขอขอให้หลวงพ่อช่วยดูให้นิดหนึ่งว่าเวลานั่งนั่งอะไรนะทำในรูปแบบสักสิวินาทีจะให้หลวงพ่อดูว่าที่ทำอยู่นี้ถูกไหมคือตามดูถูกไหมอ้าวดูไปอย่าไปบังคับมันรู้สึกไหมว่าตัวนี้นะไปบงังไปปรุงแต่งมันเรียบร้อยแล้ว ให้รู้ไม่ใช่ให้ปรุงแต่งนะต้องปรับวิธีการใหมเห็นไหมออกมาแล้วโมหะแทรกเบลอออกมาเลยเห like ็นไหมไม่เอาอย่างเนี้ยสมาธิอย่างนี้มันเป็นมิจฉาสมาธินะรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยจะเข้าจะออกนะดูออกไหมงงให้รู้ว่างงไปก่อนอย่าพยายามจิตอย่างนั้นนะ เวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิเมื่อไหรนะเราจะเริ่มบังคับตัวเองบังคับร่างกายก่อนต้องท่านี้ก่อนพอร่างกายบังคับได้ที่ก็บังคับจิตใจให้ซึมทำให้ซึมไปเรื่อยๆเราเรียกว่าสงบไม่ใช่นะตัวนี้เป็นมิจฉาสมาธินะงั้นเรารู้สึกตัวด้วยจิตใจยิ้มหวานๆก่อนแล้วใช้จิตอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจด้วยจิตอย่างนี้แหละไม่ใช่ดูที่ลมนะ เห็นร่างกายหายใจเฉยๆรู้สึกเนี่ยเห็นร่างกายขยับนะเอออย่างเนี้ยนี่เนี้ยฝึกอย่างนี้นะอ้าวตอไปคนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะจะถามว่าหนูปฏิบัติมาเนี่ยค่ะสามารถเอ้าก็บอกแล้วไงถูกหรือเปล่าดูกายค่ะก็บอกแล้วไงว่าใช้ได้แล้วถูกแต่ถามหน่อยว่าตอนนี้ยจิตถึงฐานไหมไม่ไม่แน่ใจค่ะจิตมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในสังเกตดู ลองย้อนกลับมาดูจิตสิมันจะดีดพึ่งออกไปเลยลองย้อนดูสิดูออกไหมมันเด้งออก <c oughs> แล้ว <c oughs> จิต <c oughs> จิตมันกระจายออกนอก <c oughs> นะให้รู้ทันว่ามันออกนอก <c oughs> แล้วมันจะกลับเข้ามาเองห้ามดึงถ้าดึงแล้วแน่น <c oughs> นะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆอย่าให้จิตมันกระจายเกินกายออกไป <c oughs> นะสมาธิเนี่ยต้องอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวรู้สึกอย่างนี้นะเออใช่ได้ อย่นี้เยอะไปหน่อยแน่นแล้ว <Okay. S 1> จะอึดอัด <c oughs> นะรู้สึกสบายสบายรู้สึกมีความสุขหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจ <c oughs> นะเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นถูกแล้วล่ะใช้จิตอย่างตอนนี้แหละ เอาต่อไปคนนี้ตกใจล้วรู้งี้ไม่ลงชื่อดีกว่าห้าหนุ่อนอโมทนาสาธุบุญกุศลทานศีลภาวนาที่หลวงพ่อปาโมทสังสมมาในทุกปฐมชาตินะคะหรอเอางั้นเลยเนาะหากําไรอ้าวสาธุค่ะคือหนูเห็นขึ้นวิทยุอะค่ะแบบสั่นสะเทือนมันูกขึ้นมากลางมันอยู่กลางอกเป็นมาปีครึ่งแล้วอะค่ะใช่ห้ามมันไม่ได้หรอกพเราไม่ใช่พระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์มันจะไม่มีนะ<ช>ตัเนี้ยตัวนี้มันคือความปรุงแต่งภายในนะ ค, คะก็ยังมีอะค่ะดูไปนะแล้วถ้ามันหยาบขึ้นมามันจะปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วขึ้นมา<อ>นะไม่ความปรุงแต่งของจิตมันเป็นคลื่นอย่างงี้นะถ้าแยกลงไปเรื่อยกลเป็นคลื่นกระทั่งวัตถุ น, นี้นะแยกออกไปสุดฉีดกลายเป็นคลื่นนะะตอนไม้ก้อนหินเนี่ยแยกลงไปกลายเป็นคลื่นหมดเลยชีวิตก็เป็นคลื่นหมดเหมือนกันหมดเลยลูก อย่างพระอิฐพระนารามีนี่คือก็มีเหมือนเป็นมียังมีอยู่พระนาคาก็มีตลอดทั้งวันเลยคะมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตมันทำงานทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาจิตเข้าผวัง <Okay. S 2> เวลาจิตเข้าผวังมันพักถ้าเวลาจิตขึ้นมาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยจะไหวอยู่อย่างเงี้ยสังเกตไหมพอตามองเห็นตัวนี้ก็ไหวขึ้นมา oh, หอหได้ยินเสียงตัวนี้ก็ไหวใจคิดตัวนี้ก็ไหวขึ้นมา เพราั้นมันมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจทั้งวันก็ไหวทั้งวันนั่นแหละของระดับพระนางธมีก็ยังไหวทั้งวันอย่างไหวอยู่เอยแบบเหมือนยี่สิี่ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมคไม่ไม่ยีิบสี่เวลาจิตมันลงพักในภวังไม่เป็นงั้นเวลาเราดูตัวไหวกลางอกเนี่ยจะเห็นทุกนะดูไปเรื่อยจะเห็นแต่ทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยจะเห็นอย่างนี้เนี่พอมันเป็นทุกขมากมันเหนื่อยมากเนี่ยที่พักเหลืออันเดียวนะคือสมาธิ คราวนี้ใช้สมาธิเป็นที่พักแล้วนะมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจมาจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะก็ได้พักผ่อนไม่ได้ดูตัวนี้นะพอจิตถอยออกจากสมาธิก็เห็นตัวนี้ทํางานต่อเนะนี่ยเจริญปัญญาสลับทําสมาธิไปแต่บางทีมันไหวนี่หนูคิดเรื่องอื่นๆฟุ้งซ่านอยู่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมใช่ตัวนั้นแหละจิตมันฟุ้งซ่านนะตัวนี้เป็นความปรุงแต่งชั้นในของจิต ปรุงเสร็จแล้วไม่ใชปรุงเป็นความดีก็ได้ปรุงเป็นความชั่วก็ได้ปรุงเป็นความว่างก็ได้ปรุงเป็นความตกใจก็ได้ได้ได้หมดทุกตัวเลยขึ้นมาจากอันนี้ตัวเดียวนี้แหละแมาจากคลื่นเดินเดียวนี้แหละโอ้ยหลวงพ่อค่ะคือหนุกเคยอ่านหนังสือบางเล่มเขาเขียนว่าผู้หญิงจะบรรลุทําได้ยากกว่าผู้ชายหลายเท่าค่ะเพราะว่าเหมือนกับเอคล้ายๆแบบไม่รู้นะไม่เคยได้ยินว่าพระ เ, เจ้าสอนอย่างนั้น เไม่เคยอ่านเจอเลยผู้หญิงจะคิดมากมากกว่าแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายคิดเท่าๆกันคือคิดตลอดเวลาที่ตื่นหลับไปก็ฝันต่ออีกเท่ากันไม่มีเพศออกอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกันเออไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับความขยันความตั้งใจผู้ชายขี้เกียจเขาเยอะแยะไปยุคเนี้ผู้ชายขี้เกียจเยอะกว่าผู้หญิงขี้เกียจอีกสังเกตไหมแต่ละบ้านนะผู้หญิงงานทํามาหากินเก่งกว่าผู้ชายนะเดี๋ยวเนี้ย ผู้ชายเหมือนดอกไม้ในแจกกันนะแทบจะทําอะไรไม่เป็นนะเหมือนแบบผู้ชายอาจจะมุ่งมั่นทางธรรมะได้ได้มากอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันะผู้ชายเหลวแหลกอยู่ในตารางเยอะแยะไปหรือว่าอย่างบางทีไปบวชก็อาจจะง่ายกว่าเป็นอาจจะมันลุกอย่าเชื่อนะว่าการบวชทําให้พอนังง่ายฮะบวชนี่เขาเรียกว่าสมมุติเท่านั้นเองมาเป็นพระก็สมมุติแล้วแต่งเครื่องแบบอย่างนี้ ในขั้นสูงสูงที่หลวงพ่อเคยมองอันนั้นมันเป็นการดำรงชีวิตที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติในขั้นเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องหรก็คือผู้หญิงผู้ชายก็ก็คือไม่ไม่ได้มีมันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรอกไม่มีแต่ดินน้ำไฟลมค่ะก็หนู่มขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ ขอถวายให้หลวงพ่อปามโมแลก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สาธุพ่อแม่ญาติมิตรอนด้วยออถวายเยอะเล ย, ยน่าจะวถวายสรพรพสัตว์ทั้งปวงไ อ, อสรพรพสัตว์เนี่ยต่อไปนมัสกาครับก็ฟังแต่เสียงหลวงพ่อวันนี้มาเจอตัวจริงรู้สึกว่าดีใจครับนี่ก็ยังพูดภาษาเดิมนะ หลวงพ่อไปเจอพวกวัยรุ่นนะมันบอกมันดีใจเจอตัวเป็นๆ น, <im mean> นี่บอกเจอตัวจริงตอนผม <im ove> จริงๆแล้วอ่าที่บ้านผมนี่เขาเปิดเสียงหลวงพ่อวิท <im ove> ยุนะครับภรรยาผมเปิดนะครับอ <im ove> <im ove> บ้านผมก็ตอนนี้เหมือนสำนักสงฆ์ ย, ย่อยๆแล้วครับก็ดีนะร่มเย็นดีนะค <im> ร <ove> <im ove> ับก็ก็ทํกาก็ฟัง บ, บายาย่อยๆก็ก็ลองทําดูนะครับก็มันก็มันรู้สึกมันก็ดีขึ้นนะะอ รู้สึกกายแยกใจแยกความคิดแยกตัวรู้ตัวรู้มีตัวรู้มีตัวคิดมีกายถูกใจมันแยกไปแต่รู้สึกว่ามันสมาธิมันยังไม่พอใช่ก็นั่งสมาธิแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยมันไหลไปเรื่อยมันฟุ้งครับมันมันไหลพอได้ยินเสียงครับผมชอบนั่งสมาธิตอนตีสามตีส่อะไรประมาณนั้น มันจะได้ยินเสียงปุ๊บมันก็คิดแล้วผีหรือเปล่าว่าเสียงอะไรว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เสร็จปุ๊บตัวลูกมันก็จะมาจับว่าโอเคเนี่ยมันคิดก็เดึงกลับเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันห้ามห้ามไม่ได้หรอกนะมันไม่มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นก็คือมันพัฒนาไหมมันรู้สึกไหมว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลามันมันมันเปลี่ยนตลอดรู้สึกไหมว่าเราบังคับมันไม่ได้ครับมันั่นแหละพัฒนาก็ก็ ก็ฟังหลวงพ่อบ่อยๆก็ฟังเสียงหลวงพ่อบ่อยๆก็มันมันก็ได้ความคิดอะไรที่แปลกๆเข้ามาหน้อยหาว่าหลวงพ่อเทศแปลกๆไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ครับหมายหมายความว่าหมายหมายความว่า ค, คือคืออย่างฟังธรรมะหลวงพ่อซ้ําๆเนี่ยเพราะว่ามัมันมีซีดีแผสังเกตไหมว<ห>่าสมมติเรามีซีดีแผ่นเดียวนะเราฟังแต่ละรอบเนี่ยความเข้าใจเราจะไม่เหมือนใช่นี่แหละความอาเซจันของธรรมะแล้วบางครั้งผมก็ลองนะครับอธิษฐานบางทีมันมันติดมัน อะไรจะเกิดมันก็เกิดวะ อ, อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฟังสิเออมันก็ได้ความคิดอะไรกันคือซีดีหลวงพ่อเนี่ยไม่เหมือนใครหรอกจะบอกให้ฟังแต่ละรอบนี่แหละความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันใช่ครับนะเพราะอะไรว่ามันเทศออกมาจากใจจริงๆนะมันเป็นธรรมะจริงๆไม่ได้จํามาถ้าจํามาเลคเชอร์เนี่ยจะเหมือนกันทุกรอบเลยใช่ครับแต่รู้แต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเริ่มบ่อยขึ้นใช้ได้นะ ขันมันก็แยกเป็นแล้วล่วะแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ปัญญามันเกิดตอนไหนครับแต่แต่ผมรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ปัญญานะคือการเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตยอมรับไตรลักษณ์ได้ก็ใช้ได้ละแต่ตอนนี้ยังไม่ยอมรับผมยังมีผมยังมีตัวกูของกูอยู่มีสิไม่ใช่พโสดาครับ <c oughs> เราภาวนาไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย จิตผู้รู้เองเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจออกแล้วก็ดับหายใจเข้าแล้วก็ดับอย่างเงี้ยความรู้สึกทุกอย่างมีแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นซ้ําๆนะถึงว่าหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นอมตะคงทนถาวรตัวนี้แหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันนล้วเราพาจิตเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งจิตหายดือ้อ ความดื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเขาดูนิดเดียวจิตเขายอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับบางคนมันดื้อมากนะว่าต้องดูนานหน่อยเหมือนกับว่าผมจะยอมรับเป็นบางอย่างบางอย่างไม่ยอมรับครับเออนั่นแหละมันยังยอมไม่จริงนะพ า, พาดูดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันต้องจำนวนกับข้อเท็จจริงมนมรกการหลวงพ่อค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ขออโหสิกรรมแล้วก็ขอ ถวายถ้ามีกุศลอะไรดีขอแม้ตั้งขอเก่งจัให้ชี้อะไรล่ะฮขณะนี้ใจเป็นธรรมชาติไหมไม่เป็นเราบังคับอยู่ดูออกไหมเนี่ยมันจะแน่นๆนะ่ที่ฝึก อ, อยู่ก็พอได้แล้วนะพอใช้ได้อยู่เห็นไหมว่าความรู้สึกมันผ่านไปผ่านมาความเศร้าโศกในใจเราก็ผ่านไปผ่านมานะเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะ กระทั่งความเศร้าโศกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้แหละใช่ได้ถูกค่ะขอทําไไมยบูชาค่ะกราบนวัตการคะ่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติมาเข้าเดือนที่แปดแล้วคะ่ะแปดเดือนทําได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วคือเห็นอยากกระถามหลวงพ่อว่าค่ะเห็นสภาวะเกิดแบบสองข้าอใช่ไหมคะถูกไม่ใช่สมาธิใช่ไหมคะ ฮะแต่ไม่ใช่อริยมรรนะ<อ>ยังไม่ใช่อริยมรรนะ่เราทําต่อไปเรื่อยอเห็นไหมมันยังมีเราอยู่เออเพราะฉะั้นไม่ใช่สวดาเรนะที่เราเห็นมันเกิดดับสองทีนั่นะไม่ใช่ะนะมันเป็นปัญญาเฉยๆยังไม่ใช่ตัวอริยมรรณะนรมากมส ก, กาหลวงพ่อค่ะเมื่อสีเดือนที่แล้วส่งการมาหลวงพ่อบอกว่าจิตมันยังไม่ถูกเพราะว่ามันถล่มลงไปอยู่กับสภาวะอืม นูสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันละเห็นความเปลี่ยนของตัวเองยังไหมมันเบาใช่รู้สึกไหมโลกมันหางออกไปแล้ว ไ, ไม่ค่แน่ใจค่ะรู้สึกเปล่าว่ า, วาความทุงมันสั้นลง น, ะ, นะค่อยๆดูไปนะที่ฝึกมาเนี่ยถูกแล้วนะฝึกไปหนูแค่จากสี่เดือนที่แล้วคือรู้สึกว่าจิตตอนนี้ไม่ไม่เหมือนตอนนั้นแหล ะ, หละแ ต, แตไม่รู้ว่าถูกหรือถูกถูกละวนะ แล้วขอบการบ้านต่อค่ะหลวงพ่อไปทำอีกสิไปดูนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปดูไปเรื่อยๆนะดูไกลไปเรื่อยนะแล้วถ้าความรู้สึกอะไรเกิดก็รู้เอาถ้าใจมันเฉยๆก็ดูไกลนะถ้ามีอะไรให้ดูในจิตในใจก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าใจเอาเฉยๆขึ้นมาก็ดูไกลแล้วที่หลวงพ่อ เวลาเวลาหนูเห็นแล้ค่ะบางทีเห็นร่างกายหายใจแต่หนูไม่รู้ว่าอันอันนั้นมันเป็นแบบเก่าที่ลงไปแม่สังเกตไหมว่าใจมันเป็นคนดูอยู่ตะฮะแต่มันมันก็คล้ายๆว่ามันมันไม่เห็นอะไรที่เป็นไปรลักเหมือนมันเห็นว่าไตรลักเนี่ยนะเราก็ดูซ้ําๆนะแล้วจิตมันสรุปของมันเองมันไม่มาพูดเรื่องไตรลักให้เราฟังหรอกงั้นเราดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยแล้ววันหนึงจิตมันเข้าใจไตรลัก แล้วยงที่หนูทําในรูปแบบอะคะ่ะยังยังทําไม่เป็นนะคะหลวงพ่อเพราะว่าตอนทํำเราก็รู้สึกว่าทําผิดเพราะมันเหมือนเหมือนมันจิตมันไม่สบายอะคะอ่ะแต่ไม่รู้ทํำยังไงแรกๆทํามันก็เป็นอย่างนั้นนะะมันจงใจจงใจแล้วมันก็เลยอึดอัดขึ้นมาก็รู้ทันว่าจงใจแล้วก็ทําตอบไปแล้วมันมีทักษะมากขึ้นมันจะค่อยๆพอดีมากขึ้นอยู่ๆจะให้พอดีเลยเนี่ยไม่ได้ บื้องต้นเวลาหัดใหม่ๆเนี่ยมันจะตึงเกินความจริงเสมอทุกคนอ่ะแล้วมันค่อยๆลดลงลดลงแล้วมันพอดีแต่กะจะเอาพอดีนมันจะฟุ้งสั้นมันจะเบาไปงั้นหนูสรุปว่าคือห่วนจิตมันถูกแล้วก็ทําการบ้านคืออะไรครับทหนูดูแปถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปนะดูความรู้สึกอะ ถ้าไม่มีอะไรให้ดูใจมันเฉยๆก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายไปยักหน้านะโดนดูกไกลไปด้วยเรารักสวยรักงามดู ก, กายไว้เยอะเยอะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อก็ข อ, ขอถวายการปฏิบัติกับแด่วพระพุทธเจ้าและถวายหลวงพ่ อ, อาาถวายแม<ว>ชีกับครูบาอาจารย์นะคะรูบาาจารได้เผ<อ>ื่อเขาด้วยแล้วก็ข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะถ้าเการ น้ำมศกาล น, นะหลวงพอไม่เทราบว่าอย่างเพ่งอยู่ไหมเบาลงไหมล่ะคิดว่าเบาลงนะเบาลงมันก็ใช้ได้ละดีขึ้นแล้วล่ะไอ้ ม, มารอบนี้พวกที่ส่งกันบ้านนี้เข้าท่านะแต่ละคนแยกขันได้ท่านั้นเลยของคุณก็ดีแล้วล่ะหพอให้ทําต่อใช่ไหมใช่ทําต่อทําถูกแล้วนี้ การหลวงพ่อค่ะเห็นตัวเองว่าตายสองครั้งแล้วเริ่มกลัวก็ยังหวงยังยังหวงไม่หวงนะยังไงก็ตายจะหวงแค่ไหนก็ต้องเจอแหละค่ะก็โลกมันก็ห่างๆออกไปค่ะก็เห็นทุกน้อยกับทุกมากค่ะให้รู้ทันใจที่ยังไม่กลางะใจยังไม่ชอบมันใจปฏิเสธความทุกข์รู้สึกไหม มันมีโทสะแทรกเข้ามาให้เรารู้ทันใจที่มันมีโทสะนะดูบ่อยๆขี้โมโหนี่ข้าคนจ้าคือต้องกราบขอบขอนุญาตด่วงหน้าถ้าคำถามนี้อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจใครบางคนนะะแต่จะไม่เอ่ยนามคืออยากจระถามในความรู้สึกส่วนตัวว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกไม่พอใจเป็นทุกข์กับกิจกรรมของวัดบางวัด ที่เราคิดว่าบิดเบือนทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจิตนี้เป็นบาปไหมคะจิตอะไรนะจิตเป็นทุกข์ ค, คือความรู้สึกนะะ<ม>เห็นภาพกิจกรรมของวัดบางวัด<ม>ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าทั้งรูปแบบหรือกิจกรรมนั้น ม, มันไม่ตรงกับแนวทางพระพุทธศาสนา<ม>ที่เราได้ศึกษามาแท้จริง<ม>เราจะรู้สึกไม่พอใจ<ม>แล้วรู้สึกเหมือนจะโกรธเป็นทุกข์ว่าทําไมต้องมาบิดเบือนพระพุทธศาสนาจิตนี้จะเป็นบาปเอาอย่างนี้สิหลวงถามก่อน จิตที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลล่ะคือเรามีความรู้สึกว่ากับสิ่งที่ดีเราชื่นชมแต่กับสิ่งที่เราคิดว่าจะทำลายม<อ>ันพุทธศาสนาเรารับไม่ได้ค่ะต้องแยกก่อนนะอันแรกเลยพอเราเห็นแล้วเนี่ยจิตเรามีอกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนจิต ท, ที่มีความทุกข์นะจิต ท, ที่มีความทุกข์เนี่ยคือโทสะโมลจิตแน่นอนเลยนะดังนั้นในขณะนั้นจิตเราเป็นอกุศลเรามีหน้าที่ขจัดตัวนี้ก่อนรู้ทันมันไป พอจิตเราเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเราก็ต้องไปคิดว่าเราจะแก้ปัญหาจะรักษาพระศาสนาอย่างไงไม่ได้ทําด้วยอํานาจของโทสะนะจะทำมันด้วยอํานาจของความเมตตากรุณางั้นถ้าเรายังมีโทสะเราก็จัดการกระจายของเราก่อนแล้วก็ค่อยไปคิดเอาเราจะแก้ยังไงพูดมาอย่างนี้หลวงพ่อก็รู้ว่าวัดไหนกราบกราบเอ่อขอ ข อ, ขอบุญบุญสนต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ทำขอถวายกันโมทนานะอ น, นุโมทนาด้วยหมด ล, ละละรับพรสไนยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินะังเปตานังอุปกกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิชตุ สเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัติฉันตุสพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาฒนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมาวทันติอายุอันโนสุขังพระลังสาุ พ่อนื้อโมทนากับทางโรงพยาบาลด้วยนะจดให้มีการฟังธรรมผู้บริหารที่ฉลาดนะถึงจะจัดว่าถ้าคนในปกครองเรามีศีลมีธรรมเนี่ยมันปกครองอรง่ายๆมีเหตุมีผลไม่ได้ใช่อารมณ์ยิ่งทำงานบริการนะทำงานบริการเนี่ยใจเราต้องบริการเป็นใจที่เห็นแก่ตัวบริการไม่เป็น เราหัดพาวาเรารู้เท่าทันนะใจของเรานี่ยมันเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาไม่ต้องแกล้งบริการเลยมันจะออกมาจากใจนะคนอื่นเขาก็รู้นะอย่างเราแกล้งยิ้มเขาก็รู้งั้นถ้าใจเรามีความเป็นมิตรกับเขาจริงๆเขาก็รู้เหมือนกันนะฝึกนะฝึกตัวของเราให้มันดีออกมาจากข้างในเลยไม่ใช่ดีเพราะถูกบังคับนะเดี๋ยวลวงพ่อไปแล้วเดี๋ยวไปอีกลงบาล น, นึง สัตว์